ดูก่อนพิกษุทั้งหลายจิตนี้ผ่องใสก็แต่ว่าจิตนั้นแลเศร้าหมองได้เพราะอุปกิเลสที่จอดมาปุถุชนผู้มิได้สดับเรื่องนั้นย่อมไม่รู้ตามความจริงเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าการอบรมจิตของปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่มี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 อุปกิเลสคือความชั่วทางจิต ท, ที่ทำจิตให้เศร้าหมองมีความโลภอย่างแรงเป็นต้น